ก็ก่อนจะรับเดี๋ยวขอเรียนถามพระคุณเจ้านะครับพอดีเมื่อวานศึกษาเรื่องของปัจจัยภริคหายานก็เลยมีปัญหามาเรียนถามครับก็มีพยัญชนะนะครับว่าการพิจารณาหรือว่าการเจริญปัจจัยภริคหายานเนี่ยผู้ที่พิจารณาปฏิจจสุบาทโดยนัยยะต่างๆพิจารณาปัจจัยโดยนัยยะต่างๆแล้วก็ภายหลังก็เป็นผู้ที่ อ, อ เป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เห็นเป็นผู้ที่ทราบชัดแล้วก็ประจักษ์แจ้งในอัตตาสามในการสามในสนธิสามในสังเกตสี่ในอาการสิบสองนี่นะคะการแทงตลอดในปฏิจจสุบาทตรงนี้กับการที่มีญานวัตถุสี่ิบสี่ซึ่งเป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทเหมือนกันนะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ ครับนั้นการแทงตลอดการแทงตลอดปฏิจจสุบัติตรงนี้กับการรู้ในยานวัตถุสิบสี่นี้เป็นคนละระดับกันหรือครับกถ้าถ้าคำถามอย่างนี้ตอบไม่ยากเพราะว่ามันห่างกันยานวัตถุสี่สิบสี่เนี่ยเช่นชารามรณะชารามระสมุทัยชารามระนิโรธ ชารามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทาเนี่ยมันเป็นการเพ่งแล้วแทงตลอดอริยสัพพ์ซึ่งระดับสูงก็ระดับมัรขยานเนี่ยระดับมรขยานนั้นจะแทงตลอดที่เรียกว่าชารามรณะชารามรณะสมุทยัยชารามรณะนิโรชารามรณะนิโรธาคาไินีปฏิปทาแต่ถ้าเป็นปฏิจจสมุบาทมันเป็นอยู่ระดับชั้นล่างๆปฏิจจสมุบาทนั้นคือการกําหนดปัจจัย ผู้ที่กําหนดปัจจัยหรือรอบรู้ในปัจจัยเนี่ยถามมาแค่ไหนจึงจะเรียกว่าคนรอบรู้ในเรื่องปัจจัยแค่ตอบได้ใช่ไหมว่าเนี่ยตาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรสีเกิดจากปัจจัยอะไรจิตกับคูวิญญาณเกิดจากปัจจัยอะไรภาษาเวทนาพวกนี้เกิดจากปัจจัยอะไรชื่อว่าเพียงพอแล้วหรือที่เรียกว่าเป็นผู้รอบรู้ปัจจัยพอไหมยังม้วนพอยังอะไรแค่ไหนเรียกว่าพอแค่ไหนจึงเรียกว่าพอกําหนดปัจจัยเนี่ย ที่เรียกว่ารอบรู้เนี่ยผู้ศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัจจัยรู้แค่ไหนจึงจะเรียกว่ารู้ปัจจัยแล้วก็คิดว่ารู้จนกระทั่งไม่สงสัยในอดีตอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดพลอีกอย่างหนึ่งนะคือไม่สงสัยอดีตอนาคตปัจจุบันในวิสุทธิมัท่านกล่าวว่าการที่สามารถกําหนดเรื่องตายเรื่องเกิดได้เรียกว่าจุติปฏิสนธิเนี่ยนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการกําหนดปัจจัย สามารถกำหนดเรื่องเกิดเรื่องตายได้ น, นะนะวางง่ายๆเลยถามว่ากำหนดเรื่องตายเนี่ยมันกำหนดไม่ค่อยยากใช่ไหมอะไรมั่งทําให้เราตายไม่ได้อันนี้กำหนดไม่ยากแต่กำหนดเรื่องเกิดเนี่ยนะน่าคิดว่าเกิดได้ยังไงถ้าเราจะเกิดในภพใหม่สมมติถ้าตายตรงนี้เนี่ยนะอาหารไม่ย่อยตายได้ ไ, ดไหมได้หรืออยู่ๆเกิดหัวใจมันเกิดนึกนึ ก, นกขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยนะตายได้ไหม เลือกตั้มขึ้นมาก็ตายได้แล้วนะคือปัจจัยแห่งความตายตรงเนี้มีมากเนี่ยนะเมื่อปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเราก็รู้ว่าถ้าตายแล้วการเกิดในภพใหม่เราสามารถเกิดในที่ไหนได้บ้างอันนี้อย่างหนึ่งนะที่ที่เราควรจะคิดถ้าการเกิดในภพใหม่ต่อไปของเราเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถึงการเกิดในภพใหม่ของเราเนี่ยนะสามารถกําหนดได้หรื อ, อยัง คือถ้าเราศึกษาเรื่องอ่านเรื่องอารมณ์ปัจจัยดีๆเนี่ยเนีตัวอารมณ์มันบอกถึงภพใหม่เราได้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคืออารมณ์ของภพใหม่ได้ไหมได้เป็นอะไรนิมิตนะอย่างเห็นเห็นอยู่เลยเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมนิมิตเป็นกรรมนิมิตที่สามารถบอกเราเลยว่าภพใหม่ของเราอ่ะควรเป็นที่ไหนอันเนียเกอถ้า ถ้าเป็นนักเดินทางจริงๆอ่ะนะรอบรู้ในการเดินทางเนี่ยยกตัวขึ้นมาดูปั๊บรู้เลยใช่ไหมว่าจะไปลงที่ไหนอ่านแต่ตัวนี่รู้เลยผู้ที่ศึกษาธรรมะเรื่องกัดใจเยอะๆเนี่ยนะเห็นอารมณ์ปั๊มเนี่ยกําหนดได้เลยว่าพบใหม่ควรเกิดที่ไหนเห็นดอกกุหลาบไม่ควรเกิดที่ไหนดีแน่ น, นะผู้การเน่เอาดอกกุหลาบไปเวียนถ้าเจดีแล้วนะท่านนึกถึงตอนนั้นก็จะไปดีแนะ่แต่ท่านนึกตอนที่ชมดอกกุหลาบคล้ายๆผีเสื้อนะ กันนะตอกไข่ก็ขังไข่แล้วกันนีนะอาจจะพบกันนะเป็นผีเสื้อบินว่อนอยู่หลังสวนดอกไม้ถ้าอย่างนี้ก็เดือดร้อนแล้วนะเพราะถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยนะนะถ้าเราเห็นอารมณ์มะนะปัจจัยหรือรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วคิดให้เป็นกุศลไม่ได้พบใหม่ของเราคืออบายอย่างเดียวไม่รู้ละจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเอถอะให้คิดว่าสาัตว์ในอาบายกับมนุษย์ไหนมีมากกว่ากันมนุษย์ ทั่วโลกมีหกพันล้านหกพันล้านที่มีฐานะพออยู่พอกินนีไม่กี่คนหรอกในปริมาณหกพันล้านเนี่ยนะชั้นกรรมกรกับชั้นนายจ้างไหนมากกว่ากันนั่นนะก็กรรมกรทั้งท้่มาเกิดในพบใหม่ต่อไปเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะใดทีนี้ถ้าอันนี้นี่คิดให้พอเป็นกุศลได้นะถ้าไม่เป็นกุศลล่ะมันเอ่อน่าคิดนะว่าอย่างดอกพวกต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ย สิ่งที่เขาคนที่นักปลูกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยคือพวกศัตรูพืชใช่ไหมศัตรูพืชถ้าถ้าใครปลูกพ่อปลูกเนี่ยนะสิ่งที่เขาคํานึงเป็นลําดับต้นๆคือพวกศัตรูพืชหรือศัตรูของพืชเนี่ไหมก็พวกอะไรพวกแมลงทั้งหลายเป็นศัตรูของพืชหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะักเพลดิดเพลินในต้นไม้ใบหญ้าถ้าเฉพาะแค่ตรงนั้นมันดูไม่มีโทษ แต่การเพลิดเพลินในต้นไม้ใบหญ้าของเขาเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ด้วยโลภะใช่ไหมจิตเศร้าหมองก่อนแลหละเห็นเลยนะจิตเศร้ามองตรงนั้นไอ้ตัวจิตเศร้าหมองตัวนั้นไม่ใช่เป็นตัวนำเกิดแต่กรรมในอดีตที่เขาล่วงกรรมบดสิบทุกข้อมานำเกิดได้หมดแล้วใครมั่งเกิดมาในชาตินี้ไม่เคยล่วงกรรมบดเลยล่ะไม่มี เพราะฉะนั้นอากูสนกรรมบทข้อใดข้อหนึ่งก็มาน่วงนำปฏิสนที่ได้ทันทีโดยที่มีวัตถุนั้นเป็นอารมณ์ทีนี้ย้อนกลับไปอีกว่าถ้าถามแบบนี้นะถ้าคนเกิดมาไม่เคยล่วงกรรมบทแม่แต่ข้อเดียวสมมติว่าตายตั้งแต่อยู่ในคัมเลยอะ่ะเขาจะไปเกิดที่ไหนล่ะเอานะาถามใหม่แล้วนะ ก็บอกอา้าวกรรมตัวไหนใครที่เคยล่วงกรรมบดเอาไว้แล้วอ่ะไอ้อกุศนกรรมบดเหล่านั้นนะะมันจะเป็นตัวนําเกิดถามว่ากั้งเกิดมาเนี่ยนะอยู่ในคันแม่ตายตั้งแต่อยู่ในครันเลยอ่ะไม่ได้ล่วงอาคุศนกรรมบดเลยจะไปไหนล่ะก็บอกไม่ต้องห่วงเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่หกแม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วนําเกิดได้เพราะฉะนั้นเราลืมวิบะลืม กรรมที่เราเคยทําแม้ในอดีตชาตินะกรรมเหล่านั้นจะไม่ลืมเราเลยเนี่ยนะกรรมนี้จะไม่ลืมเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอขอให้จิตเป็นอกุศลก่อนจุติอย่างเดียวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะไปอบายทีนี้ถ้าเราถ้าเราจักจะข้ามอาบายเนี่ยนะจะข้ามอาบายเนี่ยคิดยังไงจึงจะข้ามอบายได้ การวิเคราะห์วิจัยเรื่องนี้เรียกว่ากำหนดปัจจัยฉะั้นคนที่กำหนดปัจจัยได้อย่างแท้จริงคือปัจจัยแห่งชีวิตไม่ใช่แค่ท่องปัจจัยยี่สิบสี่ได้ถ้าแค่ท่องปัจจัยยี่สิบสี่ได้นะโอ้ขอมาชนะคนในห้องนี้เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็มาท่องปัจจัยยี่สิบสีได้ตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเนี่ยนะแต่ก็อาจจะแท้นั่นก็ได้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเิ ก, กี่อเจกี่ท่องได้ตั้งแต่อายุน้อยกว่า น, นี้อีก วันก่อนยังให้มาสวดเหศตูปัตยโยให้ฟังเลยนะนั้นถ้านั้นการกําหนดรู้ปัจจัยได้ก็คือการที่มองชีวิตแล้วรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยของพบใหม่ต่อไปอย่างไรอันนี้แหละเรียกว่าคนที่กําหนดปัดจจัยได้ก็พื้นฐานเลยนะหรือคนที่เข้าใจเรื่องกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตได้ดีเท่ากับประกาศถึงพบใหม่เมื่อรู้พบใหม่อย่างเนี้ย เราต้องรอพบใหม่เราต้องเกิดในพบใหม่ก่อนหรือที่จะข้ามไปเจริญวิปั ส, สนาชั้นสูงต่อไปไม่ต้องแค่อย่างถึงเนี่ยนะเช่นว่าเราเราเกี่ยวข้องกันในที่เรียกว่าคนศัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรานึกถึงบุคคลทั้งหลายเหล่านี้นะนึกถึงเจตนาที่เว้นจากปาณาติบักของเราได้อันนี้ก็สุขติได้ละลึกถึงเจตนาที่เว้นจากอัตินนาทานได้หรือให้ทานด้วยซ้ำไปนะในแง่ให้ทานได้ พวกนี้ก็เป็นประตูแห่งสุคติได้หรือระลึกถึงกุศลศีลทั้งหลายเพรา ะ, ะวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งการล่วงศีลวัตถุนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งศีลได้เพราะฉะนั้นเราสมาทานศีลเอาไว้กับทุกอารมณ์ในเบื้องต้นนะถ้าใครคิดจะรักษาศีลนอยากจะแนะนําว่าจะขอรักษาศีลฆ่ากับคนรอบๆข้างนี่แหละก่อนนะคนรอบๆข้างนะเราไม่ค่อยคิดจะไปฆ่าพวกแอฟริกาใช่ไหม จะฆ่ามดฆ่าปลวกหรือจะด่าใครก็แถวแถวบ้านนี่แหละรอบๆนี่แหละจะด่าคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวเขาสวนมามําบากด่าลูกด่าล้านนั้นถ้าจะสมาทานศีลนะเนี่ยสมาทานได้กับลูกกับลานนี่ดีๆเนี่ยนี่ก็ศีลจะอยู่แถวๆนั้นแหละหรือคนที่เราเกี่ยวข้องนะเพื่อน เ, อนเอนทั้งหลายแหละนี่แหละที่จะผิดศีลเราผิดแถวๆนั้นแหละวัดกับทุกคนเหล่านี้สมาทานให้เป็นศีลให้เป็นกุศลกรรมมาบทเอาไว้เถอะวันหนึ่งสมาทานได้สิบยี่สิบทั้งไม่เป็นยิ่งเป็นอย่าง ยิ่งดีมากสมาทานบ่อยเป็นบุญบ่อยถ้าเราสมาทานเอาไว้ดีเนี่ยนะอันนี้แหละจะเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่เป็นอย่างดีเพระั้นเบียงทางอันนี้ควรควรควรคว ร, ควรรีบทำแบั้นเถอะควรรีบทาเลยแหละเพราะถ้าคอยผลัดวันประกันพรุ่งนะก็ตั้งคำถามอย่างง่ายๆเลยนะ เ, เพื่อนๆกันหรือสามีพันยานเห็นหน้ากันเนี่ยพบใหม่ควรเป็นที่ไหน นะโยมสายเอาน้ำฝนเห็นยมเล็กเนี่ยควรเกิดที่ไหนดีนะเอ้ามาทําบุญ ร, ร่วมกันหนึ่งคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะสิ่งเราจะต้องฝึกให้ได้คือแง่อยู่ในแง่ไม่ได้เจริญกุศลเราจเจริญมามากแล้วในแง่นั้นนะนะทีนี้เราทํายังไงจะฝึกให้เป็นกุศลศีลให้ได้ทันการกําหนดปัจจัยเนี่ยหรือผู้ที่รอบรู้ปัจจัยเนี่ยรอบรู้แมก้กระทั่งว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้ข้ามอบาย ใช่ไหมปัจจัยอะไรที่จะทําให้ข้ามมนุสโลกปัจจัยอะไรที่จะทําให้ข้ามพรคมโลกแล้วคิดยังไงจึงพ้นจากทุกเนี่ยนะอันนี้กําหนดปัจจัยอันนี้ต้องแม่นยํามากเนี่ยนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกแต่มันเป็นจริงๆของของชีวิตเราเนี่นะทีนี้เมื่อปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะพวกนี้เป็นอารมมณะปัจจัยของภพใหม่ได้แล้วคิดยังไงภพใหม่จึงจะไม่มี อะ น, นะเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประตูแห่งชาติหน้านะทุกแห่งเนี่ยเป็นประตูแห่งชาติหน้าใช่ไหมเพราะทุกแห่งเป็นที่เป็นประตูแห่งความตายได no euh. you know, <am> ้ท <im machine having issimo> ุกแห่งจะเป็นประตูแห่งพบหน้าได้เมื่อเป็นประตูแห่งพบหน้าถ้าเรารังเกียจภพหน้าเนี่ยคิดยังไงจึงจะเลิกเกิดในพบใหม่เดี๋ยนะก็คิดยังไงจึงจะข้ามพ้นพบทั้งปวงได้อันนี้แหละที่เรียกว่ามองเห็นอารมณ์ต้องอย่างถึงอริยสัจให้ได้ ถ้ารับอารมณ์อะไรแล้วอย่างลงอริยสัจไม่ได้ก็น่าเป็นห่วงมากเห็นะเพราะว่าอริยสัจเนี่ยการแทงตลอดอริยสัจเป็นเครื่องมือรับรองว่าปิดอบายได้แล้วความรู้ในอริยสัจเนะีเป็นเป็นตัวรับรองว่าข้ามอบายได้ยังแล้วอริยสัจ์นะอย่างที่ถามว่าชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารานรณะ นิโรธาคามินีปฏิปทาที่อยู่ในยาณวัตถุทังนั้นความรู้ในการกำหนดปัจจัยแห่งพบใหม่ต่อไปเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของการกำหนดปัจจัยเหล่านี้ก็เพื่อที่จะได้ข้ามออกจากพบสามอย่างเช่นที่เรียกว่าเราเห็นคนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งถ้ากล่าวตามสภาวะก็คือชารากับบรณะสิ่งใดชาราเป็นสิ่งนั้นก็ตายเป็นเนี่ยนะเพราะวัตถุที่ตายคือวัตถุที่ชารา คําว่าชาราในที่นี้เนี่ยนะถ้าเด็กที่อยู่ในคันอยู่มาแปดเก้าเดือนแค่คันอะไรคันแก่ก็คันชารานั่นแหละเพราะฉะนั้นชาราตั้งอต่อยู่ในคันเพราะฉะนั้นโดยที่สุดคําว่าชาราไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องอายุมากเสมอไปแล้วสิ่งใดชาราเป็นสิ่งนั้นตายเป็นแล้วเวลาตายไม่ค่อยเลือกเมื่อไม่เลือกนี้ชารามรณะอะไรหนอเป็นปัจจัยแห่งหรืออะไรเป็นสมุทัยแห่งชารากับมรณะก็ะชาติ แล้วถ้าชาติชรามรณะชาติชรามรณะไม่มีอ่ะนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นคนนั้นจะต้องคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับชรามรณะว่าชรามรณะเป็นภัยความไม่มีชาติชรามรณะปลอดภัยอันนั้นแหละเรียกว่าชรามรณะนิโรธเนี่ยนะชรามรณะนิโรธแล้วชรามรณะเนี่ยเป็นธรรมที่ควรทำปริญญา ชรามรณะสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละชรามรณะนั่นแหละเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งเพราะฉะนั้นคนที่กําหนดรู้ชรามรณะจนสา ม, มารถตรัสรู้กําหนดรู้ชรามรณะจนสา ม, มารถละชรามรณะสมุทัยได้ผู้นั้นจะทําชรามรณะนิโรธให้แจ้งเนี่ย